พระคุณตามเป็นจริงข้อที่สามของพระพุทธเจ้ามีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้แล้วอย่างนี้ว่านี้กุศลนี้อกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้พึงเสพนี้ไม่พึงเสพนี้เลวนี้ประณีนี้ดำนี้ขาวนี้เป็นส่วนที่ละไมคล้ายคลึงกันหรือว่าเป็นข้อเปรียบเทียบนะละไมแปลว่านี้เป็นข้อเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องดำเรื่องขาว พระพุทธเจ้าจะสอนว่าคือเช้นหนึ่งกุศลกับอกุศล น, น, นะพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะมันมีอยู่สองอย่างกายเนี่ยนะอย่างทางกายไม่กุศลก็อกุศลแต่จากกลางกลาง น, นไม่มี น, นะนะแลเนี่ยนะเขาบอกว่าดำกับขาวมันมีแต่ดํากับขาวไม่มีสีเทาอยงเง้ยเถะมันมีแต่เฉพาะดํากับขาวเพราะพระองค์เนี่ยจะสอนว่านี้ทำำําดํานี้ทําขาวนี้กุศล น, นี้อกุศล น, นี้มีโทษนี้ไม่มีโทษ คือนิยามของอกุศลเนี่ยคืออะไรอกุศลคือสิ่งที่เกิดจากความโง่เขลาเกิดจากความไม่ฉลาดเนี่ยนะเกิดจากความไม่ฉลาดและเป็นสิ่งที่มีโทษโทษปัจจุบันโทษต่อต่อไปอกุศลเบียดเบียนตนเบียดเบียนๆๆผู้อื่นและเบียดเบียนทั้งทั้งสองฝ่ายนี่คือนิยามของอกุศลถ้าทำให้มากแล้วเดือดร้อนอย่างเช่นความโลภเนี่ยนะ ความโลภความโกรธความหลงโง่เขางมงายทั้งหลายถามจริงมีโทษหรือไม่มีโทษบอกมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกให้ผลเป็นทุกข์ทุกทั้งปัจจุบันและสัมปรายภพต่อไปบันดิตติเตียนหรือสรรเสริญนะนะถ้าทำให้มากปฏิบัติให้มากเป็นไปเพื่อทุกทุข์หรือเป็นไปเพื่อความ สุขสงบมันอกุศลจึงเป็นสิ่งที่ควรละโดยส่วนเดียวมีอยู่สูตรหนึ่งพระ อ, องค์บอกว่าถ้าอกุศลมันดีจริงบ้างเนี่ยนะพระองค์ก็สอนให้เจริญแต่เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงขณะเดียวกันถ้าเป็นสิ่งที่ละไม่ได้พระ อ, องค์ก็ไม่สอนให้ละแต่เนื่องจากเป็นสิ่งที่ละได้พระ อ, องค์จึงสอนให้ละเนี่ยนะพระ อ, องค์สามารถจําเนกแยกแยะได้เลยวันนี้กุศลนี้อกุศลเนี่ยนะอกุนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษ นี้ควรเจริญนะนี้ไม่ควรเจริญเพราะอะไรเพราะถ้าเจริญอย่างนี้เสียหายแน่นอนอย่างนี้เจริญอย่างนี้ดีแน่นอนอ น, นี้เลวนี้ประณีดนี้ดำนี้ขาวนี้ข้อเปรียบเทียบระหว่างดำกับขาวว่าถ้าดำมันจะมีผลต่อไปอย่างนี้อย่างนี้นี้ขาวเป็นไปอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเราไม่เคยเห็นศาสดาที่บัญญัติอะไรได้ชัดเจนขนาดนี้มาเลยเขาบอกว่าเคยเคยมีไหมเขาบอกว่าพระพุทธศาสนากับ ของลัทธิทั่วๆไปเนี่ยนะลัทธิทั่วๆไปนะท่าว่าท่าว่าท่าว่าถ้าใครเคยเคยศึกษาวิชาทางโลกเยอะๆเนี่ยนะตั้งสมมุติฐานขึ้นว่าท่าว่าอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นท่าว่าอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างโน้นเกิดจากวิชาท่าว่าเผื่อว่าท่าว่าเผื่อว่าไม่มีในพระตัยวิโด ดูความพิสูจ์ทั้งหลายเนี่ยนะทำห้าประการเหล่านี้บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่อออกจากวัตฏะสูวิวัฏฏะเป็นต้นเนี่ยบอกเลย1นึ่งหเออถ้าว่าเธออย่างนี้นะผลจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าคาดคเนกะไม่มีไม่มีในคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างบอกเลยหนึ่งสามสห้าบางอย่างบอกเลยหนึ่งสมี่ห้าจะไป90 หรือบางอย่างบอกไปเลยเนี่ยทำหมวด1หมวด2อหมวด3มหมวด4หมวดนะอย่างวิธีปฏิบัติทำเธออยากปฏิบัตินับหนึ่งเลยเอาไหมหรือแบ่งเป็นสองหรือแบ่งเป็น3แบ่งเป็น4หมวดสหมวด5หมวด6หมวดหมวดแหมวด9หมวด10แล้วไม่แบบบอโอ้โหอันนี้ข้อนี้นะถ้าว่าหรืออื่นๆจุดๆจุดเผื่อเป็นต้นอะไรพระพูดประเภทนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าเพราะถ้าพูดลักษณะนี้เราไม่รู้จริง นะและอื่นๆอีกมากมายนะเป็นต้นแต่ต้นเนี่ยนะอีกน้อนเนี่ยนะไม่มีมีบอกเลยหนึ่งสองสาสีหคือถ้าหากว่าเราเราดูไปแล้วเนี่ยไม่เคยมีใครพูดอะไรได้ชัดเจนขนาดเนี่ยแบ่งขนาดเนี่ยที่เหลือนะพูดเผื่อหมดเลยพูดเผื่อซะส่วนใหญ่หนังสือทางโลกเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยท่าว่าอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ่าว่าอย่างงั้นจะเป็นอย่างโน้นถ่าว่าอย่างนน้นจะเป็นอย่างนี้นยิง่ย ง, ยงวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วนะมีแต่ถ่าว่าเผื่อว่า ข้าว่าคาดว่าเดาว่ากะว่าก็มีอยู่ว่าว่าว่าว่าแสล้มก็เปลี่ยนไปเรื่อย แต่ความพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นสอนได้จําเนกแจกแกงวันนี้ดีนี้ชั่วทําอย่างนี้เหตุเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ทําอย่างนี้ผลเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เช่นเรื่องกรรมกรรมมั ส, สโกมหิตชี้ชัดไปเลยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเขานั่นแหละคือผู้รับมรดกที่เขาทําเอาไว้ ท่านผลของกรรมคือผลผลิตที่ตัวเองเคยกระทามาในอดีตพฤติกรรมในปัจจุบันเป็นเหตุให้ได้รับผลผลิตต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเป็นไปตามกรรมแต่ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องกรรมพวกเก็มาแจกอีกว่าเออเนี่ยกรรมเช่นกรรมนี้นําเกิดนะแบ่งไปเรื่อยชนะกรรมนี้กรรมหนักกรรมนี้กรรมหนากรรมนี้กรรมเบากรรมนี้เนี่ยนะยังให้ผลในแบ่งยังแบ่งส่วนอีกทีกรรมนี้ให้ผลนําเกิดกรรมนี้ไปอุปถัมภ์กรรมนี้ มาตัดรอนกรรมนี้มาเข็นมาฆ่า น, นะกรรมนี้ให้กรรมชนิดนี้ให้ผลชาตินี้กรรมชนิดนี้ให้ผลชาติหน้ากรรมชนิดนี้ให้ผลในชาติที่สเป็นต้นเนี่ยนะคือเป็นเรื่องของความชัดเจนแล้วก็โปรง่งใสโดยที่ไม่มีขัดแย้งอะไรเลยเนี่ยนะบอกได้เลยจําไม่ใช้ได้เลยตลอด 1, 3, 4, 5, ไป1นึ่งี่ห้าไปเรียกว่าบททดสอบได้เลยว่างั้นทันานเมื่อเกิดมาไม่เคยเห็นใครบัญญัติได้อะไรขนาดนี้ว่างั้นนะ พระอินทร์นะท่านบอกว่าคือพระอินทร์เนี่ยอดีตชาติตอนที่เป็นพระอินทร์เนี่ยลงไปหานักบวชเยอะมากไปหานักบวชแม้จะไปฟังธรรมท่านสงอยกลายมาเป็นสาวกของพระอินทร์รับที่าศาสนาพระอินทร์เนี่ยก็เข้ามาเพราะเป็นยางไงที่จริงพระอินทร์ตอนแรกพระอินทร์เนี่ยจะเข้าไปฟังธรรมว่าเขารู้อะไรบ้างนะเห็นบวชไหมเคร่งครัดดีเหลือเกินไหนท่านแนะนําอะไรบ้างไปถึงบอกโอ้นี่ท่านทํากรรมอะไรมาท่านอย่างใดเป็นพระอินทร์กลายเป็นว่า แทนที่จะเป็นพระอินมาเป็นสาวกกลายไปเป็นว่าเป็นสาวกของพระอินทแต่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นสักกะยิ่งกว่าสักกะสักกะเป็นชื่อของพระอินทพระพุทธเจ้าเป็นพระอินยิ่งกว่าพระอินทในส่วนข้อสี่เดี๋ยวให้พัก พ, พักฉันน้ําก่อนเนาะให้โยมคลายเมื่อยด้วยเดี๋ยวก็ต่อไปได้แล้วก็ไปไปตามกรรมก็ ถ้าคนสมัยนี้ทําได้ขนาดนี้เขียนได้ขนาดนี้ฉลาดเท่านี้ก็นับถือเขาได้เลยคนระับถ้าถ้ามีใครทําได้อย่างนั้นจริงๆนะสมมุติถ้ามีใครแหมร่างพระตไตรปิฎกขึ้นมาเองอะไรได้เองเราก็จะนับถือเหมือนกันอ่ะถ้าเก่งขนาดนี้จริงก็นับถือ เพราะหลายคนก็ไม่เห็นว่าดีอะไรมากมายก็นับถือกันรเรียกท่านศาสตราจารย์บ้างเรียกท่านดอ็อกเตอร์บ้างเรียกนักวิชาการอุยสารพัดที่จะสรรหาใช่ไหมมีคนติดตามฟังไปผู้ที่ไหนก็คนตามฟังทําปฏิบัติตามอะไรต่างเยอะแยะขนาดถ้าบอกว่าถ้าทําได้สอนไดขนาดนี้เราก็จะนับถือเหมือนกันเนาะนะเพราะฉะนั้นคนที่ทําได้อย่างนี้ก็คือพระพุทธเจ้าถามว่าคนรุ่นหลังแต่งเติมไหมเอาใครมีสามสา ม, มารถแต่งเติมมา เก่งขนาดนั้นนะถ้าเก่งขนาดนั้นได้ก็เป็น empire. พระพุทธเจ้าองค์หม่แล้วทั้งคนที่ทําได้อย่างนี้ก็คืออย่างเดียวแน่นอนว่าเป็นพระพุทธเจ้านะบอกเอา و, แต่งเตมิมขึ้นแบบเอาไมล่ละคนรุ่นใหม่เอามาลองทําแต่งเตมิมขึ้นมาอย่างนี้บ้างบอกว่าถ้าถ้าไปอ่านยิ่งอ่านหนังสือฝรั่งที่ฝรั่งเขียนด้วยแล้วยิ่งแทบไม่มีอะไรเลยแทบไม่มีอะไรเลยนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยจริงๆเนื้อหาไม่มีอะไรเลยนอกจากบางอย่างก็แทบจะปลิ้นต้นเลยซ้ําไปนี่ยนะ แค่ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเพราะันถ้าหากว่าสอนได้ขนาดนี้จริงเราก็นับถือว่างั้นเถอะอ่ะถ้าคนในยุคนี้สอนได้อย่างนี้สอนได้เหมือนพระพุทธเจ้าแบบนี้นะโดยที่ไม่ต้องคาดคิดมาก่อนไม่ใช่ไปเนี่ยถ้าทําได้อย่างนั้นจริงก็จะนับถือเพราะเราสามารถเชื่อได้โดยส่วนเดียวว่าคําสอนที่มีอยู่นั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครทําได้อย่างนี้อีกแล้วนะไม่มีใครสามารถทําได้อย่างนี้อีกแล้ว เขาก็มีนัก ว, วิชาการมางท่านก็ออกมาพูดว่าคนที่จะทําได้อย่างนี้เนี่ยต้องดออรอย่างน้อยประมาณหนึ่พคนเนี่ยนะจึงจะมาเรียบเรียงอย่างนี้ได้มาช่วยกันขัดเกลาตกแต่งขนาดนี้นะันะต้องอาศัยนะักวิชาการระดับดร์พิเศษเนี่ยประมาณ 1,000 คนเป็นอย่างน้อยจึงจะทําได้แล้วถ้ามาันะถ้าคน ท, ทั่วไปเนี่ยเอาออกมาเขียนเอาใครเอามาเขียนอ่ะ <พ uka> ใ, หให้เขียนเลยไม่ให้อ่านนะให้เขียนให้มันเหมือนกันขึ้นมาถ้าใครทำได้ก็จะนับถือเลยถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปทำได้นะหมายค่อยคนธรรมดาแค่ว่าแค่จะฟังให้จำได้ให้เข้าใจได้ยังยากเลยนะจะกล่าวไปยายถึงว่าแหมให้คนธรรมดาทั่วๆไปเนะี่ยมาคิดมาเขียนขึ้นมาเพราะหลายๆอย่างเนี่ยจะรู้เลยไม่ใช่วิสัยของคนธรรมดาแน่นอนนน คนมีราคะทําแบบสอนแบบนี้ไม่ได้แน่นอนคนมีโทสะก็สอนแบบนี้ไม่ได้แน่นอนคนมีโมหะก็สอนแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอย่างอย่างมากก็พูดตามท่านั้นแหละเรียกว่าจําให้พุทธพจน์มาพูดตามยังจํามาพูดตามยากจะกล่าวใบใหญ่ไหมให้รู้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเองเลยนะเพราะก็ยากเหมือนกันแล้นถ้าถามว่าถ้าจะมีคนเขียนขึ้นแบบนี้ได้จริงก็ก็เชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนอ น, นะแล้วก็ผมเชื่อแบบนั้นครับ พระพุทธคุณตามเป็นจริงของพระพุทธเจ้าที่เท้าสกกะเอามาสรรเสริญเนี่ยนะที่มีแสดงไว้ในมหามหาโควินทสูตรว่าข้อสี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสําหรับไปถึงพระนิพพานแก่สา ว, วกทั้งหลายพระพุทธคือคือพระนิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกข์มีอยู่ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานมีอยู่ ทีนี้ที่สําคัญก็คือบอกว่าทั้งพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัติก็กลมกลืนกันไว้เป็นอย่างดีคือหมายความว่านิพพานกับข้อปฏิบัติเพื่อให้นิพพานเนี่ยนะมีความสัมพันธ์กันไม่รู้สึกว่าขัดแย้งกันเลยกลมกลืนเข้ากันได้เป็นอย่างดีเหมือนอะไรเหมือนแม่น้ําคงคากับแม่น้ํายมุนาน้ำสองสายเหล่านี้ถ้ามาไหลปรรจบกันเนี่ยนะก็จะกลมกลืนเข้ากันได้อย่างเรียบฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสําหรับไปถึงพระนิพพานแก่สาวกทั้งหลายทั้งพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัติก็กลมกลืนกันเป็นอย่างดีฉันนั้นนั่นเทียวหมายว่าโอ้สัมพันธ์กันมากเลยนะถ้าไม่ปฏิบัติแบบนี้จะบรรลุนิพพานได้อย่างไงนิพพานเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามานี้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะ บ, บรรลุนิพพานถ้าปฏิบัติตามนี้ควรจะได้นิพพานแบบนี้ฉั้นทั้งนิพพานและข้อปฏิบัตินั้นสอดคล้องกันแท้ ก็เท่ากับชื่นชมอะไรอริยมรรคกับชื่นชมอริยมรรคว่าพราะองค์ได้สามารถสั่งสอนข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้พระนิพพานนะีช่างดีแท้หวังนันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสําหรับไปถึงพระนิพพานแก่สาวกทั้งหลายทั้งพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัติก็กลมกลืนกันเป็นอย่างดีฉันนั้นนั่นทีเดียวเราไม่เคยเห็นศาสดาผู้บัญญัติข้อปฏิบัติเพื่อไปถึงพระนิพพานได้อย่างนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเนอดีตหรือปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันนั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็นศาสดาองคใดที่จะกล่าวถึงพระนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานได้อย่างกลมกลืนกันอย่างที่มาก่อนเลย พระนิพพานกับข้อปฏิบตัติเพื่อพระนิพพานนั้นจะต้องกลมกลืนกันจากสูตรนี้เนี่ยนะที่ถ้าหาว่าผู้ใดที่ศรัทธาในการปฏิบตัติชอบการปฏิบตัติเห็นว่าการปฏิบัตินั้นมีสาระมีประโยชน์ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องทีนี้ก็มาตรวจสอบข้อปฏิบัติของเราว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยนะควรจะได้นิพพานแบบไหนใช่นิพพานอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหม อย่างสมมติว่าอย่างมีคําถามว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งคิดแบบนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆทําไมมันมันปิดอบายทุกขติวินิบาตานรกได้เพราะอะไรยังไงต้องอธิบายได้นะมันต้องกลมกลืนกันนะคือมันสมเหตุสมผลหน่อยบางเงืนเถอะบอกว่า เ, เนี่ยถ้าเธอปฏิบัติอย่างเนี้ยตัดภพตัดชาติได้กี่ชาติก็ว่าไปเนี่ยเธอจะเลิกเกิดในชาติที่แปดแล้วนะทําไมอธิบายหน่อยว่าทําไมจึงตัดภพตัดชาติเหล่านั้นได้ นนะทําไมทําไมอ่ะนะคือคือมันต้องสมเหตุสมผลความสมเหตุสมผลเนี่ยที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ใช้คําว่ากลมกลืนเนี่ยนะสมเหตุสมผลเหมาะสมถ้าทําอย่างนี้ผลต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอย่างเช่นถ้าเจริญเมตตามากๆอย่างนี้โอ้จะไปโกรธได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะโกรธใช่ไหมทัดเจริญอสุภะกรรมฐานมากๆแบบนี้จะโลภมันจะเป็นไปได้ยังไงเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญามมากขนาดนี้มันจะไปจิตในรถเป็นไปไม่ได้ ถ้าเจริญอา น, นิจจาสัญญาแบบนี้ที่จะโง่เขลางมงายบอกไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้คือมันสมเหตุสมผลกันนะความสมดุลการความเหมาะสมแก่กันและกันเนี่ยเขาบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริงอันนั้นความพ้นทุกข์กับข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยสมดุลก็สอดคล้องกันมากนี้ถ้าเรามาตรวจสอบสิ่งที่เราทําอยู่เอ๊ะมันพ้นทุกข์ได้ยังไงทําไมจึงพ้นทุกข์นั้นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นมีทุกข์ไหม ทำไมจึงพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้เพราะอะไรเนี่ยนะตรงนี้พยายามที่จะระลึกตรวจสอบสำรวจตรวจตราตัวเองไว้เสมอแค่ว่าตักเตือนตนด้วยตนเตือ น, น ต, น, น, ตนด้วยตนแนะนําตนด้วยตนว่าสอดคล้องขนาดไหนอันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากนะว่าต้องความกลมกลืนกันเนี่ยนะเราะว่าอย่างสม ม, มุติว่าเอ๊ะเขาจะไปไหนแบบ อ, อย่างสม ม, มติว่าไปเชียงใหม่เอาแล้วไปยังไงเชียงใหม่ อธิบายได้สมเหตุสมผลเออเนี่ยเดินทางแบบ น, นี้ใช่ถึงเชียงใหม่แน่นอนอะจะไปไหนบอกจะไปกรุงเทพบอกกรุงเทพอยู่ที่ไหนคืออย่างนี้อย่างนี้องค์ประกอบเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะไปยังไงจึงจะเข้าถึงกรุงเทพฉันได้ผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานก็ฉันนั้นก็ตั้งคําถามว่านิพพานคืออะไรนะนิพพานคืออะไรแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานนั้นคืออะไรพรฒนพยายามทําความเข้าใจว่าเข้าใจในพระนิพพานก่อน มันก่อนกล่าวไปคร่าวๆบอกว่านิพานคืออะไรนิพานคือธรรมที่ดับชราและมรณะสัพธรรมชนิดหนึ่งขุดสัพธรรมชนิดหนึ่งเป็นธรรมชนิดพิเศษที่ไม่เหมือนธรรมะทั่วๆไปถ้าผู้ใดได้สัมผัสตรัสรู้สิ่งนี้แล้วพ้นจากความแก่และความตายเอ๊เราทําอย่างนี้มันที่ที่เราทํำทำอยู่นะ่ะมันคู่ควรแก่การพ้นจากความแก่และความตายไหมอันนี้ในที่หนึ่งในที่สอง พระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากการเกิดพ้นจากการเกิดเ <c oughs> ช่น <c oughs> พ้นจากการเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรฉานก่อนหมายคำว่าถ้าสัมผัสพระนิพพานตรัสรู้พระนิพพานพ้นจากการเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานแน่นอนเอ๊ะทำไมมันทำไมจึงเป็นอย่าง น, น, นั้นทำไมจึงปิดนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานได้แน่นอน นิพพานอันนั้นดียังไงนะทําไมจึงปิดนรกเปรตสุรกายและเดราชานได้และปฏิบัติอย่างไรจึงจะตรัสรู้ธรรมอันนั้นอ่ะที่ปิดอบายทุกขตินี้วินิบาตนรกได้มันความสมเหตุสมผลความกลมกลืนกันอันนี้ต้องมีแล้ะข้อต่อไปอีกบอกว่านิพพานเป็นธรรมที่ดับกรรมเป็นธรรมที่ตัดกรรมว่าไงเถอะตัดทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเนี่ยคือเหตุที่มันจะให้ผลต่อไปตัดเหตุไม่ให้มันมีผลนะ่ะ นิพพานเป็นธรรมที่ตัดกรรมไม่ให้มันมีผลเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติยังไงให้ตรัสรู้นิพพานนั้นที่มาตัดกรรมได้จริงอย่าลืมว่าไม่ใช่ไสยศาสตร์เป่าพ่วงแล้วก็อ๋อหายแล้วพ้นแล้วมันมีอะไรแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเป็นธรรมที่ดีพิเศษแน่นอนสิ่งนั้นดีพิเศษที่ทําไม่สามารถทํากรรมให้ผลได้เลยอย่างเช่นพระองค์คลิมานเมื่อท่านตรัสรู้นิพพานแล้วกรรมที่จะนําเกิดในนรกเปรตอสุรกายเป็นต้นเนี่ยท่านตัดออกไปหมดเลยธรรมะอันนั้นน่ะ เป็นอย่างไรธรรมะที่ดับกรรมเป็นธรรมะที่สิ้นกรรมนั่นนะและธรรมะที่สิ้นความยึดถือพ้นจากความยึดถือปกติเนี่ยนะไอ้ความยึดถือเช่นความยึดถือในทรัพย์สินเป็นต้นเนี่ยเรายึดถือมากเลยบอกแต่อย่างนั้นนะก็ไม่ได้ยึดถือเท่ากับตัวเราตอนนี้ห่วงตัวเองหรือห่วงทรัพย์สินมากกักนไหมห่วงตัวเองมากถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วเลิกยึดถือตัวเองได้อะนิพพานอนั้นดีขนาดไหนคืออะไรเนี่ยนะเลิกเลิกยึดถือเลย กายนี้เลิกเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเลยถ้าตรัสรู้นิพพา น, นนะปกติแล้วเราเนี่ยแหมค า, าดหวังอยากได้โน่นอยากได้นี่ต้องการเรียกว่าหิวทางความหิวทางวิญญาณเลยนะหิวทางความคิดตลอดเวลาหิวอยากโ น, น่นอยากนี่จนมันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องการไปเรื่อยเรืเรียก ว, ว่าได้หนึ่งอยากได้สองลสองเลก็ได้ดดดสเนี่นะเป็นต้นมีแต่ความอยากมีแต่ความทะเยอทยานอยากเห็นอยากได้ยินอยากรู้อยากคิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะ ถ้าตรัสรูน้นิพานเนี่ยมันดับความอยากได้เอ๊ยนิพานนั้นดับตัณหาได้นี่ทำไมอ่ะอนิีพานนั้นจะดีอย่างไรเนาะทำไมจึงดับตัณหาได้อนิพานเป็นธรรมที่ดับเวทนาดับความเจ็บปวดเวทนิพานเป็นธรรมที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันสืบต่อเนื่องกันไปยังไงถ้ารู้นิพานแล้วดับตา บางคนบอกว่าห่วงว่โอ้ทักเน่ยงั้นตาก็บอดแิหมายถึงว่าเอาไหมถ้ามีตาคู่หนึ่งแต่เป็นตาคู่ที่ของสัตว์นรกเอาไหมบอกไม่เอาตาเหมือนตาปูเป็นต้นเอาเป็นต้นเอาไหมทํายังไงที่เราไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนรกเตรัสุรกาและเดรชาลอะไรเนาะคือตัวที่มาดับดับการเกิดในอบายทุกขติวินิบาติธรรมนั้นเป็นธรรมะพิเศษเรียกว่าพระนิพาน พ, นพานพระนิพพานเนี่ยแปลว่าชารามรณะนิโรธภาษาบาลีชารามรณะนิโรธ ชาตินิโรธภวะนิโรธอุปาทานนิโรธตัณหานิโรธเวทนานิโรธสลายตนะนิโรธภาษานิโรธนามรูปนิโรธวิญญาณนิโรธสังขานิโรธอวิชานิโรธข้อปฏิบัติคือข้อปฏิบัติเพื่อให้แทงตลอดชรามรณะนิโรธนะก็มีชรามรณะนิโรธกับชรานิโรธถ้าขามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติอนชรานิโรธคือธรรมที่ดับชรามรณะชรานิโรทคามิหนีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อความดับชราและมรณะชราและความดับชรามรณะกับข้อปฏิบัติให้ดับชรามรณะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสแสดงได้อย่างกลมกลืนกัน น, นะฟังแล้วมันกลมกลืนกันมากันไม่ขัดกันเองเลยนะนะเนี่ยนี่คือคําที่ท้าวสักกะเอามาช ม, มกลมกลืนกันดีแท้มันสมเหตุสมผลไม่เคยเห็นฟังใครมาก่อนเลยนะ างานที่บอกว่าอายุมา36ล้านปีทิพมาสาล้านปีมาตลอดนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยและปัจจุบันเนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ที่แสดงได้อย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นเลยอยันนี้เป็นคำที่เท้าสักกะเนี่ยนะอันนี้จากการฟังตรงนี้อ่านตรงนี้เนี่ยนะเป็นเครื่องตรวจสอบในสิ่งที่เราปฏิบัติเหมือนกันว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยผลที่ได้รับกับสิ่งที่เราปฏิบัติกลมกลืนกันอยู่ไหม สมเหตุสมผลกันไหมถ้าไม่สมเหตุสมผลแปลว่าถูกหลอกแล้วเนี่ยนะใครหลอกถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าตัวเองทำเองแล้วเชื่อตัวเองหลอกตัวเองถ้าคนอื่นทำตามคนอื่นแล้วถูกคนอื่นหลอกมันก็มีอยู่สองอย่างเพราะมันก็มีมีสองอย่างนะถูกกับผิดมันไม่มีเกือบถูกหรือเกือบผิดมีไหมเกือบได้กับเกือบตกเอาอัดไหนกับเกือบนะอู้ยหยหดีใจจริงๆเลยเกือบสอบได้ เขามาบอกเอาเกือบสอบตกเกือบถูกกับเกือบผิดเอาอันไหนมันมีสองอย่างมันมีถูกกับผิดใช่ไหมแต่ว่ามันเกือบถูกหรือเกือบผิดเค่านั้นเองอะนะเนั้นการปฏิบัติมันมีสองอย่างถูกกับผิดเกือบถูกกับเกือบผิดมันก็มีอยู่สองอย่างแค่นี้ถ้าเกือบเกือบแล้วก็ไม่ใช่แน่นอนว่าถูกกับผิดไม่มีคละเคล้ากันแน่นอนกุศลกับอกุศลไม่มีการคละเคล้ากันแน่นอนนะความดับทุกข์กับข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ต้องสมควรแก่กัน ทุยทศพลสูตรสังยุติการนิธานวักในพระองค์บอกว่าธรรมะอันเลิศคือพระนิพพานเนี่ยนะต้องตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติที่เลิศนะข้อปฏิบัติที่เลิศคือศรัทธาที่เลิศวิริยะที่เลิศสติที่เลิศสมาธิที่เลิศปัญญาที่เลิศทําให้ตรัสรู้พระนิพพานเป็นที่เลิศเนี่ยนะเพราะงค์จึงตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ยังบอกว่าธรรมะของพระองค์ในสุขขมลุ่มลึกรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยาก รู้ได้ในเฉพาะวิสัยของบัณฑิตเท่านั้นแต่มูสัตทั้งหลายมีใจเป็นอื่นเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรว่าว่ามีใจคล้องด้วยราคะโทสะและโมหยินดีในรูปเสียงกปลี่นรถโพธาภะแหนถ้าเขานิพพานก็มันตรงกันข้ามเป็นธรรมที่ทวนกระแสของเขาเกือบทุกเรื่องเลยเนี่ยนะแหน่ถ้าเราสอนนะเขาไม่รู้แนละ้วมันเราเหนื่อยเปล่านั่นเนี่ยไม่สอนดีกว่าก็ที่มาของพรห ม, มาจโลกาทิปติสัมปติอะไรเป็นต้นเนี่ยคือธรรมะนั้นจะต้องเป็นธรรมะที่ละเอียด เพราะอะไรถ้าหากว่าเป็นธรรมะที่ตรัสรู้กันง่ายๆทําทไมต้องสร้างบารมีกันขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่ามันยากเกินกว่าไม่มีใครทําได้อะไรสร้างบารมีมาทําไมอ่ะเพราะถ้ารู้ทำรู้อะไรนะมาสอนในสิ่งที่คนเขาทําตามไม่ได้มันก็ไม่ใช่อเองนั้นแหละนะราะไม่ใช่เองนั้นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามได้แล้วก็ตรัสรู้ได้ข้อที่ห้า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะได้พระเสขะทั้งหลายพระเสขะคือผู้ที่ยังต้องปฏิบัติและได้พระขีนาสพทั้งหลายผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นพระสหายตั้งคําถามว่าพระพุทธเจ้ามีเพื่อนไหมบอกมีใครเป็นเพื่อนพระพุทธเจ้าเพื่อนก็คือเนี่ย อ่างคล้ายๆถ้าอุปมาเหมือนทางโลกบางค น, นยมีลูกเป็นเพื่อนใช่ไหมชั้นใดพระพุทธเจ้ามีพระเสขะคือพระโสดาบันพระสะกท า, าคามีพระอนาคามีเป็นสหายเนี่ยพระเสขะเหล่านี้ยังต้องศึกษาในสิกขาสามอยู่ต่อไปหรือพระอรหันต์ผู้จบศึกษาแล้วศึกษาจบแล้วศึกษาเสร็จแล้วศึกษาสิกขาสามจบแล้วศึกษาอริยสัจเนี่ยนะทำกิจ16เสร็จสิ้นแล้วบรรลุอรหัตผลอันเลิศแล้ว พระพุทธเจ้ามีเพื่อนคือพระเสกคะก็คือพระ arya บุคคลทั้งหลายนั่นเองนะคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ท่านเหล่านี้แหละเป็นสหายแต่ความพิเศษมีอยู่ว่าแต่ไม่ทรงติดในท่านเหล่านั้นด้วยฉันทราคะเลยนี่นะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มุ่งมามุ่งมั่นในการปฏิบัติดำรงอยู่ด้วยคุณธรรมและยินดีในการอยู่แต่ผู้เดียว ยินดีในกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกพรานคนที่ท่านรู้จักล้วนแต่คนดีทั้งนั้นเลยล้วนแต่ผู้มีคุณธรรมไม่มีความโลภความโกรธความหลงเลยเพื่อนของท่านนะเพื่อนของพระพุทธเจ้าเช่นพระสารีบุตรท่านเหล่านั้นไม่มีกิเลสแม้แต่องค์เดียวแต่ท่านก็ไม่มีฉันทราคะเคยได้ข่าวไม้มบอกโอ้คนนั้นตายพระพุทธเจ้านั่งร้องไห้เลยจากไม่ได้เราคิดถึงจังเลยเป็นตัวเนี่ยไม่มี ถึงเขาจะดีแต่ก็พระ อ, องค์ก็ไม่มีฉันทราคะติดใจในสิ่งนั้นเหมือนอย่างว่าน้ําไม่ติดในใบบัวชัน้นใดพระ อ, องค์ก็มีใจไม่ติดคล้องในอารมณ์ทั้งปวงที่เห็นที่ได้ยินที่รู้กลิ่นที่รับรู้รสแม้แต่ความคิดของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ยังไม่มีฉันทราคะเยื่อใยติดพันในความคิดแม้แต่ราคะเนี่ยนะความติดใจในความคิดของพระองค์เองก็ไม่มีแต่พระ อ, องค์ก็แยกว่าอะไรเป็นดีอะไรเป็นชั่วอะไรเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยนะแยกได้หมด ท่า น, นที่สําคัญบอกว่าเราไม่เคยเห็นาศาสดาที่ตามประกอบความยินดีในความเป็นอยู่เป็นอยู่ผู้เดียวยินดีในวิเวกแบบนี้มาก่อนเลยยินดีในกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกอย่างนี้เลยพูดถึงพร้อมองค์แม้นี้อดีตก็ไม่เคยเห็นว่ายินดีในเอกเอกกายภาพเนี่ยนะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกอย่างนี้ทั้งอดีตและปัจจุบันนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น นะเพราะว่าบางคนนี่ชอบอะไรนะอยู่คนเดียวไม่ได้นะอยู่คนเดียวนี่ยเงาเลยนะเป็นโรคเงาเหมือนกันเถอะแต่พระองค์เนี่ยชอบอยู่คนเดียวทั้งๆ ท, ที่บริวารของพระองค์นี่มากทั้งบริวารทั้งที่เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ในทุกระดับชาติชั้นมันนะแล้วก็มีสาวกทั้งระดับเทวดาและพรห ม, มโลกแต่พระองค์มีความสุขในการอยู่คนเดียวแต่ถามว่าถ้าเข้าไปหาบริษัทเป็นต้นพระองค์คลานครามไหมไม่ ไม่เคยขั้นครามเนี่ยนะเรียกว่าเวสอาจตุเวสารชยานยานที่ทําให้พระองค์ไม่ขั้นครามมีสี่ประการพระองค์ไม่ขั้นครามในบริษัท8นะในกษัตริย์บริษัทธามบริษัทคึหาบดีบริษัทสมณะบริษัทจาตุมบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทพรบริษัทบริษัททั้ง8เหล่านี้พระองค์ไม่เคยขั้นคลั่มแม้แต่บริษัทเดียว เพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้อย่างยิ่งทั้งหมดแล้วไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่ตรัสรู้หนึ่งข้อสองพระองค์สิ้นกิเลสหมดสิ้นแล้วไม่มีกิเลสเหล่าใดที่เหลือเลยสาสิ่งใดที่พระองค์สอนว่านําออกจากทุกสิ่งนั้นนําออกจากทุกจริงข้อสี่พระองค์อะไรที่พระองค์บอกว่ามันเป็นอันตรายสิ่งนั้นก็เป็นอันตรายอย่างที่พระองค์กล่าวพรัะไม่มีอะไรที่จะทําให้ใครมาว่าพระองค์ว่า ต้องครั่งครั่นครามเป็นต้นไม่มีอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งพระองค์เนี่ยไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจาและอาชีพที่เป็นเหตุให้คนอื่นม า, าเรียกว่าโจดได้ทักทวงได้เนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านยังมีโลภะโทสะโมหนะนั้นท่านทําชั่วด้วยกายด้ว ย, ว, ย, ว, ยวาจาตามโจดตามฟ้องตา ม, ตามร้องเพราะฉะนั้นแหมเดี๋ยวคนนั้นจะมาโจดเอาพวกเราไปทําพลาดไว้ตรงนั้น น, นะลูกศิษย์ช่วยช่วกันรักษาหน่อยนะพระพุทธเจ้าไม่มี นะพระองค์นี่เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ขนาดนั้นคเครียกว่าไม่ต้องขอความคุ้มครองจากผู้ใดไม่ต้องพราะพระองค์จึงมีแต่เรียกว่ายินดีในความเป็นอยู่แต่ผู้เดียวเพราะอะไรเพราะพระองค์ตรัสรู้ธรรมะที่เรียกว่าอยู่ผู้เดียวแล้วมีความสุขได้ถึงพระองค์อยู่กับหมูคนะ่คณะพระองค์ก็มีความสุขอยู่ผู้เดียวพระองค์ก็มีความสุขเพราะพระองค์ตรัสรู้ธรรมที่เป็นความสุขนิพานังประมังสุขขังนิพานเป็นธรรมที่เป็น สุขอย่างยิ่งเนี่ยนะอย่างสมัยพุทธกาลด้วยแล้วเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะแสดงแสดงแสดงแสดงไปประชาชนบอกโอ้ดีเหลือเกินทำมาที่พระพุทธเจ้าสอนเขาก็อนุโมทนาส า, สาธุสาธุสาธุสามครั้งนะสาธุสามครั้งมันใช้เวลาไม่ถึงนาทีหลงพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ฟังนะพระองค์เข้าภะละสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์เข้าอารหัตผลสมาบัตินี่นะคนที่เรียนอภิธรรมมาก็จะเข้าใจจิตตานิยามว่าพระองค์เข้าได้อย่างไร พันพอองศ์ก็เข้าพระสมาบัติไม่ได้ฟังพอเข้าออกเขาอาสาทุ่จบพระ อ, องค์ก็ออกมาแล้วแสดงทำต่อเนะพระ อ, องค์ไม่ได้มีความติดข้องอะไรอะไรแม้แต่นิดเดียวไม่มียินดีในการยัวิเวกอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ท่ามกลางบริษัทมากมายแล้วพระ อ, องค์แบบเพลิดเพลินกับการคลุกเคลีอะไรเป็นต้นไม่พระ อ, องค์นี่ยินดีในธรรมที่สงบทุกในอัตถกถาท่านบอกว่าวิ ญ, ญญาณทั้งสิบของพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วน้อมไปสู่นิพพานอย่างเดียว ไม่ได้น้อมอะไรอาวรณ์อะไรเลยแม้แต่ในนั้นนะเพราะอย่าลืมว่าพระองค์คือผู้ที่มองเห็นภพสามเหมือนถูกไฟไหม้ข้อที่หบอกว่าลาบสักการะอย่างยิ่งและชื่อเสียงก็สําเร็จอย่างยิ่งแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอัน น, นีเหมือนอะไรเหมือนกับกษัตริย์บางพวกที่มีพระสิริโฉมสง่าน่ารักอยู่หมายความว่าพระองค์เนี่ยนะ บรรดาลาบสักการะทุกชนิดเนี่ยไม่มีใครมีลาบเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าลาบสักการะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าใครรวยที่สุด่ะตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าวรวยที่สุดแม้แต่ในอดีตเนี่ยนะเขาบอกว่ากษัตริย์ทั้งหมดถวายชีวิตให้เนี่ยนะถามว่าเขาเหมือนกับว่าสมบัติของกษัตริย์ทั้งหมดก็เหมือนกับสมบัติของพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าพระองค์ต้องการจะเรียกเอาอะไรมาใช้บ้างล่ะเนี่ยนะ นั้นเป็นผู้ที่มีลาบมากที่สุดเนี่ยนะจีวอนของพระพุทธยามไม่มีใครมีผ้า เ, เท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีใครมีอาหารมากเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีใครมีกุฏิเนี่ยนะบอกว่าถามว่ารูปปั้นใครมีที่อยู่สวยที่สุดในโลกและเยอะที่สุดในโลกพระพุทธรูปเนี่ยนะโหต้องสร้างศาลาที่ประฏิสถานพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอยู่แต่ที่ดีทั้งหมดเลยนะวิหารทองคําพระพุทธรูปทองคำถ้ายิ่งอะไรนะพระธาตุทั้งหลายเนะี่ยโหพระธาตแุแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะ มูลค่ามหาศารบางแห่งเนี่ยเป็นร้อยล้านบางแห่งเป็นพันล้านเนยนะเพื่ออะไรเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจะมีลาบสการะขนาดไหนเนี่ยนะจำนวนลาบสการะตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบันนะไปหลายๆประเทศเราจะรู้ว่าสมบัติของพระพุทธเจ้านี่มากจริงๆเลยนะมีใครนะมีสมบัติเท่าพระพุทธเจ้าอีกล้ขนาดสองพกว่าปีก็ยังมีสมบัติมากมายมหาสารอย่างที่บอกว่าโดยที่สุดแม้แต่แผ่นดินไทยเนี่ยนะพระราชาพระองคกอกอ์ก่อนก็ถวายแผ่นดินเป็น พุทธบูชาด้วยซนะนะ้าไปเนี่ยนะบอว่าอยา่อยาพูดถึงโบสถ์วิหารแบบของวัดของอะไรทั่วๆไปเลยเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าทรัพย์ของเขาทั้งหมดก็คือเหมือนกับของพระพุทธเจ้านั่นแหละเขาจะทำอะไรทุกอย่างที่เพื่อเป็นบะูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางท่านก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ชื่อเสียง ก, ก็ไม่มีใครมีชื่อเสียงเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าดังมันูนาคทั้งหลายก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าเพาชมว่า ยีตีปิโสพะขาวะอรหังสัมมาสัมพุโทโธหรือที่เราสวดเริ่มอะไรนะตังโคปะนะพะวันตังเอวังกัลยานโนกิติสัพวธพุทธโจนเนี่ยนะก็กิติสัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสเนี่ยนะมันไม่มีใครมีชื่อเสียงเช่นกับพระพุทธเจ้าอีกแล้วในจํานวนผู้มีชื่อเสียงทั้งหลาย ชื่อเ um um สียงของโปร่ง <quote> นับตั้งแต่นาคหมู่มนุษย์เทวดาพรหมและอรูปพรหมอรูปพรหมก็ระลึกถึงเจริญพุทธานุสติเหมือนกันเพราะอรูปพรหมที่เป็นอริยะนี่มีอยู่นี่ในไม่ใช่มีจักรวาลเดียวในหมื่นจักรวาลแสนจักรวาลเขาเหล่านั้นก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสปรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนราะผู้ใดเจริญพุทธานุสติเท่ากับว่าชื่นชมสรรเสริญ คุณงามความดีของพระพุทธเจ้าวาะในเรื่องของอะไรลาบสการะในเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีมากที่สุดเหมือนกับกษัตริย์รูปงามเป็นที่ยินดีเป็นที่พอใจของประชาชนชันใดพระองค์ก็ฉันนั้นพระผู้แต่ที่สำคัญพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นปราศจากความเมาในการเสวยพระกยาหารไม่เคยมีใจมีฉันทราคะในเรื่องปัจจัยสี่เลยแม้แต่นิดเดียว ทุกอย่างเนี่ยสาเร็จเกิดขึ้นแก่พระองค์ก็จริงแต่พระองค์ไม่มีตัณหาอะไรมาฉาบทาเอางี้ไม่มีอะไรเอาเอาอะไรไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์มีตัณหาในวัตถุนั้นไม่มีโอ้ดีเหลือเกินนะแหมอยากได้มานานแล้วดีนะเธอเอามาถวายเนี่ยขอบใจมากนะแหมอยากได้ดอกไม้ชนิดนี้มานานอนุโมแหมดีใจจังเลยนะขอบใจมากนะยังไม่มีไม่เคยได้ยินแต่ถ้าคนไปกราบไปไหว้เอาอะไรเป็นต้นไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่า เขาเอาสิ่งเหล่านี้นี่นะมาบูชาในขันที่พระ อ, องค์ทำปริญญาหรือพิจารณารอบรู้เสร็จแล้ว น, นะเขามาบูชาในสิ่งที่พระ อ, องค์กำหนดรอบรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะพระ อ, องค์ไม่มีฉันทราคะเลยแต่พระ อ, องค์ก็อนุโมทนากับบุญที่เขาเหล่านั้นได้กระทาแต่พระ อ, องค์ไม่มีใจฉันมีฉันทราคะในวัตถุเข้าของเครื่องใช้ แล้วก็ไม่เคยหมายความว่าโอ้โลําพองใจมากที่มีชื่อเสียงวอาคนนั้นก็รู้จักเราคนนั้นก็ชมเราคนโน้นก็ชมเราดูสิเทวดาก็ชมพรหมก็สัมเสริ র อู้ดีใจจริงเลยเนี่ยนั่งยินคนนั้นก็รู้จักเราคนนี้ก็รู้จักเราคนนั้นก็เอ่ยชื่อเราเป็นต้นพองแบบนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าพราะองค์ไม่มีฉันทราคะในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเพราะสิ่งใดก็ตามที่คนเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างอาหารเนี่ยนะอาหารทุกคําที่พระองค์เสวย เสวยเทยวดาจะคอยหยอดหยอดอะไรโอชะทิพย์ลงตลอดทุกคําที่พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่เคยมีตัณหาในอาหารเหล่านั้นเลยนะไม่มีฉันทราคะในอาหารเหล่านั้นเลยเทา้าสกะจึงบอกว่าเราไม่ิเคยเห็นศาสดาที่ปราศจากความเมาบริโภคอาหารหรือบริโภคปัจใจสี่อยู่อย่างนี้พูดถึงพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอันยาวไกล นะหรือปัจจุบันก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่มีตันหาในวัตถุทั้งหลายเลยเนี่ยนะพันธ์าบอกว่าผ้าอรหันแปลว่าผู้ที่กำจัดฉันทราคาในอารมณ์ได้ทุกชนิดตัดเยื่อใยในทุกอย่างได้หมดเลยแต่ว่าไม่มีเยื่อใยไม่มีฉันทราคาเหมือนกับว่ามเมล็ดพันธุ์พืชที่คั่วสุกแล้วเนี่ยพอไม่ขึ้นเนี่ยนะจะเอาน้าไปรสเท่าใดก็ ง, งอกไม่งอกเนี่ยนะ เหมือนอย่างว่านะถ้าเอาเม็ดขนุนมาคั่วให้สุกให้ดีให้กรอบเลยเนี่ยน ะ, ะรดน้ำาพรดินใส่ปุ๋ยหรือว่าเอ า, มาเมล็ดอะไรมาฉีดอาจให้อันนี้มันเพาะงอกขึ้นเนี่ยเป็นไปได้โยามว่าเป็นได้ไหมยังไงก็เป็นไปไม่ได้ชั้นได้พระอรหันต์ก็คือผู้ที่มีพืชคือปฏิสนธิสิ้นแล้วพะนจะเ พ, า ะ, า, เพาะยังไงให้เกิดยางคือฉันธราคะเกิด ยังไงก็ไม่เกิดฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นเพราะจะเอาอะไรไปให้พระองค์ล่อตาล่อใจล่อหูล่อจมูกล่อลิ้นให้มีตัณหาเนี่ยนะบอกไม่มีเนี่ยนะอย่างที่ที่อย่างในในสูตรหนึ่งที่พราหมณ์คนหนึ่งเขาเอาลูกสาวไปถวายพระองค์ก็บอกว่านี่นะอย่าว่าลูกของท่านเลยจะเล่าให้ฟังตอนที่เราตัดสรุปใหม่ๆน ะ, ะลูกสาวพญา ม, มารมาสามนางแล้วพระองค์ก็เล่าให้ฟังเพราะันพระองค์ไม่ต้องการเนี่ยนะพระองค์ไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพ ถาว่าพระองค์ยินดีอย่างเดียวคือยินดีในนิพพานยินดีในพระนิพพานแต่ไม่ได้ยินดีด้วยตัณหานะเพราะนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นตัณหาถ้าตรัสรู้ตัณหาแล้วดับนิาพพ์ขอัยถ้าตรัสรู้นิพพานแล้วดับตัณหาได้นิพพานนั้นจึงเป็นธรรมที่ประเสริฐจริงๆข้อเจพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้มีปกติตรัสอย่างไรก็มีปกติธทำอย่างนั้น มีปกติทําอย่างไรก็มีปกติตรัสอย่างนั้นด้วยประการชนีก็เป็นอันว่าพระองค์ทรงมีปกติตรัสอย่างไรทําอย่างนั้นทาอย่างไรตรัสอย่างนั้นไม่ทําเกินกว่าที่พูดไม่พูดเกินกว่าที่ทาทําอย่างที่พูดพูดอย่างที่ที่ทมันจะไม่มีเกินเนี่ยนะเขบอกว่าเราไม่เคยเห็นศาสดาใดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้กายว่าใจสอดคล้องกันไปหมด เนี่ยนะกายวาจาใจกลมกลืนกันไปหมดไม่มีเสียแปลว่าพราะองค์สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะจริงๆ